เรื่องของการคุยธรรมะที่เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันแต่บอกว่าเราได้มาพบปะ เนี่ยอย่างกิเลสคือเอ่อราคะโทสะโมหะเนี่ยมันทําใจให้เศร้าหมองเศร้า ใจของเราใจของเราใจอายุตัวอย่างกายก่อนก็ได้ทําฟัง แนวโรคของใจก็มีแต่ใจ คือถ้าเราไม่ใช่หมอเราจะไม่ทราบว่าไอ้ที่ป่วยใจนี่เอ่อถ้าเราไม่ แล้วใจของเราเนี่ยป่วยเนี่ยมันจะมีอยู่ 3 อาการนะคือการหิวนะคือถ้าใจของเรารู้ 1 นี่คือ 2 คือคําว่า 2 ไฟร้อนใจร้อนร้อนใจร้อนเนี่ยรู้สึกไม่สบายกระวนกระวายอ่ะอันนี้ใจแล้วอย่าง 3 ที่เป็นอาการ อาการต่างๆที่แสดงถึงความมืดเช่นความเย่อยิ่งโอ้หรือว่าว่ากันพูดจาเสียดกัน ด่าร้ายก็ได้เหมือนกันบางทีเดี๋ยวนั้นราคะกับโทสะเนี่ยเอ่อการกระทําที่แสดงออกมามันอาจจะเอ่อแต่เพราะว่าความโกรธอย่างนี้ก็มีหรือบางคนด่า ทำปากว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เขารักอย่างนี้ก็ร้อนโกรธหรือว่าหิวเนี่ยมันก็อยู่ไม่เป็นสุขไหน ในทั้งความร้อนความหิวความมืดนั่นแหละ คือถูกต้องอยู่แต่มันไม่ได้มาจากไปนอกทําให้คุณแย่ไม่ดีเนี่ยถูกต้องอยู่แต่มันไม่ได้สนิมไงเราดูสนิมก็ได้ เหล็กมันเองมันทำลายเหล็กเองมันทำลายโลหะชนิดนั้นเองนะชนิดของโลหะชนิดต่าง หัวใจเราไม่รู้จักควบคุมรักษาสภาพเวลาไม่ คนที่ใจไม่เหลือสภาพเป็นใจเนี่ยโอ้โหใจมันไม่ เบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่ามนุษย์บางคนเนี่ยมีใจๆเป็นมีตําแหน่งใหญ่โตก็สภาพเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานเบียดเบียน ที่มีอาสวะมีกิเลสในลักษณะนั้นอะไรล่ะ ยังเพิ่งขัดประโซมาอย่างงี้โอ้ยโลหะสนินนั่นจ้ะมองๆก่อนมองนี่ก็ไม่ใช่มองหมดจะมองบ้างส่วนนะมองจาก ละอองน้ําเนี่ยหรือว่าออกซิเจนเนี่ยมันมาเกาะที่ผิวคงใจ จะทําให้สนิมนี่มันลดลงไปหรือว่าจะไม่ให้เช่นความชื้นน้ําออกซิเจนเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับใจนั้นคืออะไรนั่นก็คือการที่ไม่มีธรรมะนั่น มันเกิดจากภายในเพราะฉะนั้นถ้าใจเนี่ยเอ่อไม่มีธรรมะสนิมเกิดได้ทันทีกิเลสเกิดได้ทันทีน้ํา สิ่งที่มากระทบเป็นน้ําเป็นโลหะมันก็เป็นธรรมชาติของอยู่สนิมไม่ ถ้ามีความชื้นมีออกซิเจนอยู่ที่โลหะแต่ถ้าเรารักษาความสะอาดอยู่เรื่อยสนิมไม่เกิด แล้วบางทีเค้าก็มีกระบวนการที่เอาสนิมออกนะด้วยการขัดบ้างด้วยกันเอาแปรงอ่าขัดแปรงทองเหลืองเนี่ยขัดขัดๆนะเกลียร์สนิมให้ออกไปหรือว่า นั้นกิเลสก็ชิงดึงกันนั่นแหละนะมีอย่างหนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยก็เป็นการเคลือบน้ำยากันสนิมนะน้ำยาบางอย่างก็ดีนะท่านฟัง โอ้ธรรมะมีเยอะแยะท่านผู้ฟังนะจะเป็นหมวดไหนก็ๆเดือนที่เรารู้สึก 1 2 3 จะเป็นกระบวนการที่ทําให้จิตนั้นเป็นการขุด